สีลสำหรับประชาชนความเข้าใจพื้นฐานก่อนจะขยายความในเรื่องสีลโดยเฉพาะที่จะเน้นหลักความประพฤติในระดับของประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไปเห็นควรย้ำหลักกว้างๆที่ควรรู้ตระหนักไวอันจะช่วยให้ประพฤติปฏิบัติสีลในทุกระดับ ได้ถูกหลักตรงตามความมุ่งหมายเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีนั้นตั้งแต่เริ่มแรกควรมองเห็นความหมายของศีลที่ตนรักษาปฏิบัติโล่งสว่างพร้อมทั้งตรนักรู้ถึงความมุ่งหมายของการปฏิบัติและมองเห็นศีลที่ตนรักษานั้นในระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตว่าความงอกงามด้วยศีนั้น สัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจและความเจริญปัญญาเกื้อนนุนสมาธิและญาณทัศนะจะพาให้ปราดปัญหาปลอดทุกข์ประสบผลที่เป็นประโยชน์สุขอย่างไรอย่างไรศีลจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขอย่างไรดังที่ทราบกันดีว่ามรรคที่เรียกเต็มว่ามรรคมีองค์8นั้นคือรวมข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาและองค์แปดของมรร k ั้น ก็จัดได้เป็นสามขันคือสามหมวดได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาในเวลาจะฝึกปฏิบัติกันจริงจังก็ฝึกก็ศึกษากันในสมอย่างคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละโดยจัดเป็นระบบการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขาแปลว่าสิกขาสคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา เรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาอีกนั่นแหละเป็นอันว่าการปฏิบัติการฝึกการหัดการพัฒนาคนการดาเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนปฏิปทาที่จะให้ถึงนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ในสามหมวดแห่งศีลสมาธิปัญญาที่มาจากมรรคมิองแปดนั่นเองเมื่อจับหลักนี้ไว้ได้แล้วเมื่อพูดถึงศีลก็บอกว่าศีลที่แท้ที่จริงที่ครบ ก็คือศีลที่มาจากมรคมีองค์8นั้นคือศีลที่เป็นองค์ของมรคและตามพุทธพจน์ที่ยกมาให้ดูก็เห็นชัดแล้วว่าองค์มรคที่เป็นหมวดศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะนี้คือศีลที่จริงที่แท้ที่ครบบริบูรณ์พุทธพจน์ข้างต้นนั้นแสดงความหมายของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ แต่และอย่างแยกแยะแบ่งข้อย่อยออกไปทำให้เห็นได้ว่าสาระสำคัญของศีลคืออะไรศีลที่เป็นองค์มรรคหรือศีลที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตที่ดีงามมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรผู้รู้แต่โบราณนับข้อย่อยของศีลในองค์มรรคนี้ที่แยกย่อยออกไปว่ามีแปดข้อแล้วตั้งชื่อเรียกไว้ว่าอาชีวรธรรมกศีลแปลว่า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 ขอให้ดูลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษดังนี้ 1. พุทธพจน์ ท, ที่จำแกนกศีลในมัั้นทำให้เห็นได้ว่ามักไม่ใช่เป็นมักคาที่มุ่งสำหรับภิกษุสงฆ์เท่านั้นมิฉะนั้นแล้วคำจำกัดความของศีลก็จะต้องหมายถึงศีล227รหรือภิกุศีลหรือบัรพาชิตศีลหรืออะไรทำนองนั้นและทาให้เห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงสาระของศีลในแบบที่ยืดหยุน่นกินความกว้างคลุมศีลปลีกย่อยที่แยกกระจายออกไปได้ต่างๆมากมายหลายแบบทำให้ไม่จำเป็นต้องทรงแจงระบุชื่อหมวดศีลปลีกย่อยเหล่านั้นเช่นไม่ต้องระบุศีลห้าศีล8ศีลสิบเข้าไว้ด้วยเป็นต้น 2. ควรย้ำไว้ก่อนเพราะมักลืมกันบ่อยๆว่า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 และปานาติบาตตอนหลังกล่าวถึงการทำความดีที่ตรงข้ามกับความชั่วที่งดเว้นนั้นเช่นว่าเกื้อกูลสรรพสัตว์ 4. ในมักนี้องค์มัชมีทั้งด้านศีลด้านจิตหรือสมาธิและด้านปัญญาซึ่งต้องมารวมกันครบจึงจะเป็นมัชและจึงจะสำเร็จเป็นผลแม้ว่าขณะนี้เรากำลังพูดถึงศีล หรือจะปฏิบัติศีลก็ต้องตรหนักว่านี่เราอยู่ในส่วนนี้ของมรรคเมื่อเดินหน้าไปจะต้องให้ประสานขานรับกันกับอีกสองส่วนนั้นด้วยจึงจะได้ผลจริงความเป็นจริงและความสำเร็จผลต่อเมื่อมีความครบพร้อมขององค์ประกอบอย่างนี้เรียกอย่างภาษาพระว่าเป็นระบบธรรมสามคัคคีหรือที่เวลานี้เรียกว่าองค์รวมแม้แต่ในขั้นสูงสุด การตัดสรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีธรรมสามขีเมื่อมองดูที่มัคซึ่งมีองคมัคทุกข้ออยู่ครบก็มองเห็นธรรมสามคีหรือองค์รวมพร้อมทั้งเห็นองค์ร่วมทั้งหมดพร้อมไปด้วยกันก็ง่ายที่จะไม่ลืมระบบถึงแม้ขณะนี้อยู่ที่ศีนก็ไม่ลืมองค์ร่วมอื่นแม้ในชุดกุศลกรรมบทซึ่งพูดได้ว่าเป็นการขยายมัคออกไปโดยจัดองคมัค ทำนองประยุกเข้าให้เหมาะในระดับสำหรับคนทั่วไปหรือสำหรับบรรดามนุษยชนดังที่เคยบอกแล้วว่าท่านถือว่ากุศลกรรมบท10บนี้เป็นมนุษยธรรมก็เห็นได้ไม่ยากว่าศีลในกรรมบทนั้นมากับจิตใจและปัญญาคือสมาธิและปัญญาด้วยคือมีองค์มรรคมารครบทั้งสด้าน7ข้อแรกเป็นศีลข้อ8ข้อ9เป็นจิตเป็นสมาธิ ข้อสิเป็นปัญญาแถมว่าศีลในกุศลกรรมบทยังขยายออกไปให้เห็นครบทั้งท่อนลบและท่อนบวกแต่พอมาดูศีลห้าที่ว่าเป็นศีลอย่างต่ำที่สุดคือคนทุกคนอย่างน้อยควรมีศีลห้าปรากฏว่าชุดเบญจศีล น, นี้มีแค่ศีลเท่านั้นไม่มีองค์มรักด้านจิตและปัญญาเลยแสดงว่า ไม่พอที่จะเจริญงอกงามพัฒนาก้าวไปในวิถีของพระพุทธศาสนานี่แหละจึงว่าอย่างตําคือยังทําอะไรไม่ได้ก็ให้เว้นชั่วร้ายพอให้อยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันนักอย่างไรก็ตามที่จริงนั้นท่านไม่ได้ปล่อยทิ้งศีลหออกไปจากระบบองค์รวมหรือธรรมะสามัคคีแต่ท่านใช้วิธีจัดระบบใหม่เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือเมื่อมีเหตุ ที่จะต้องยอมให้แยกสีออกไปเป็นชุดต่างหากอย่างนั้นแล้วท่านก็นำองค์มรกด้านจิตและด้านปัญญาไปจัดเป็นชุดอื่นเตรียมไว้ต่างหากคือไม่มาอยู่ในชุดเดียวกันอย่างในกุศลกรรมบทและท่านก็แนะนำสอนให้คนที่เริ่มปฏิบัติชุดสีหานั้นก้าวต่อไปให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอริยสาวกอริยสาวิกาได้ ว, ว่านอกจากชุดสีหานั้นแล้วก็ให้ปฏิบัติชุดน้น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 สตรีประกอบด้วยทำรม4ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลกหน้าชื่อว่าจัดโลกหน้าไว้แล้วทำสี่ประการเป็นชไหน 1. สตรีถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างไรสตรีเป็นผู้มีตถาคตโพธิศรัทธาคือมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ 2. สตรีถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไรสตรีเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาสและจากสุราเมรัยและของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 3. ส, สตรีถึงพร้อมด้วยจ่าคะอย่างไรสตรีอยู่ครองเรือนโดยมีใจปราศจากมนทินคือความตระณีตมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบคือพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการเจือจานแบ่งปัน 4. สตรีถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างไรสตรีเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยอริยปัญญาที่ยังถึงอุ ท, ทยและอัสดงจำแรกเรื่องได้ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้องอีกชุดหนึ่ง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 ที่จะให้คนที่อยู่ในการพัฒนาทุกระดับมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาครบคือมีศีลสมาธิปัญญาครบจึงควรพูดอย่างน้อยกับตนเองให้แม่นใจว่าพระพุทธเจ้าทรงย้ำไม่ขรรอ ห, หรือชาวบ้านมีศรัทธาศีลห้าจาคะและปัญญาหรือถ้าจะเพิ่มก็เป็นศรัทธาศีลห้าบวกสุตะจาคะ และปัญญาแล้วจากความพร้อมของธรรมสามคัคคีระดับนี้อริยะมรรคก็เหมือนเปิดกว้างรับให้ก้าวหน้าพัฒนาอย่างดีต่อไป